ออกไปเทศเที่างนอกสังเกตอย่างถ้าที่ไหนไปต่อสักสองสามครั้งนะจะเปลี่ยนมากเลยอาจารย์ภาวนาคนทุกวันนี้นะได้เปรียบสมัยหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยเสียเปรียบพวกเราตอนนี้มากเลยไปหาอาจารย์แต่ละทีนะโอ้โหอยู่ไกลๆบางองค์นั่งรถไปทั้งคืนนะ ต้องไปเดินอีกครึ่งวันกนะ็มีก็อุตส่าห์ไปอยากได้ธรรมะไปศึกษาสุดท้ายก็พบว่ามันอันเดียวกันจานที่หลวงปูดูลสอนไว้ครอบคลุมไว้หมดแล้วหลวลงปูดูลสอนหลวงพ่อเข้าใจที่ท่านสอนนะเข้าใจแล้วนะออกไปหาครูบาอาจารย์อื่นๆ ก็เข้าใจท่านด้วยบางองค์ก็ไม่ได้อยู่สายวัดป่านะแต่ท่านภาวนาตีของท่านจริงเคยเขึ้นไปพระบาทตักผ้ากูบาพรมจักท่านกภาวนาเก่งจิตไวมากเลยลูกศิษย์ไปถามท่านว่าจริงแล้วพระพุทธบาทวัดท่านชื่อวัดพระบาทพระมาตักผ้าถ้าเป็นรอยเหมือนผ้าจีวร อ, อยู่บนหิน เมื่อเราผ้าไปตากไปแล้วมันติดหินแล้วก็มีรอยเท้าเด็กๆนะเดินอยู่บนหินนะมีรอยเท้าเนี่ยลูกศิษย์ไปถามท่านจริงหรอท่านก็ไม่ว่าอะไรนะเนี่ยท่านไปเหยียบก้อนหินที่หัวทางจงกรมของท่านเอาไว้เหยียบสะลึกเลยลึกลงไปสักศอกหนึ่งแล้วก็ไม่พูดอะไรนะไม่บอกใครหรอก คนไปเจอทีหลังลท่านไปเหยียบเอาไว้อันนี้ก็เรื่องของกสินหินมันแข็งนะั่งก็เพ่งให้มันอ่อนเขาเหยียบเหยียบเสร็จแล้วก็ให้มันแข็งอย่างเดิมเรื่องของกสินไม่เกี่ยวกับความพ้นทุกข์นะท่านทําให้ดูได้ไม่ไปปรามาสทุกวันนี้ยังอยู่หินนั้นแต่ท่านสิ้นไปหลายปีแล้ว นั่งรถเข้าไปนะสวนท่านออกมารอบแรกสวนกับท่านท่านหันกลับเลยโอ้ไหวจริ ง, รงทีหนึ่งไปท่านนั่งเทศเข้าไปไปหาครูบาอาจารย์แต่ก่อนนั้นสนุกดีแต่ไม่แนะนำให้เอาอย่างเรื <c oughs> ่องพ่อพอนาเป็นแล้วนะถึงได้ออกไปดูถ้ายังพอนาไม่แม่นนะ ไปโน่นไปนี่สเปซ ส, สปะไม่ได้หลักสักทีอย่างเรียนกับหลวงพ่อไว้รู้อย่างนี้แล้วไปอีกทิงพูดไปอีกแบบเราแยกแยะไม่ออกมั่วซั่วไปหมดพอน้ำไม่ได้หรอกเรียนที่ใดก็เอามันสักที่หนึ่งให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปถ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วตอนนี้ไปที่ไหนก็เข้าใจไม่มีปัญหาอะไรหรอก คนมั่วภาวนาไม่ขึ้นไปโน้นไปนี้ภาวนานะรู้หลักแล้วภาวนาอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าจะไปหาที่ภาวนาไปตามวัดตามไหนนะั้นแนะนําให้ไปหาวัดที่ไม่มีการสอนเวัดที่มีการสอนนะั้นมันยุ่งอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนภาวนานะไม่ไปวัดที่มีคอร์สเลยไปวัดที่เราไปภาวนาของเราเองได้ ถึงเวลากินข้าวเสร็จแล้วก็ภาวนาขอเราอยากอยู่ถ้าเราก็ไปอยู่ถ้ำอยากอยู่ต้นไม้ก็อยู่ต้นไม้อยากอยู่น้ำตกก็ไปอยู่น้ำตกไม่มีใครมายุ่งกับเราภาวนาแบบที่เราศึกษามาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้กินหนอกแล้วการภาวนานั้นต้องเน้นหลักช่วยตัวเองให้มากเที่ยวไปถามคนอื่นว่าเราควรจะภาวนายัางไง ถาม10คนมือตอบ10อย่างไม่รู้ภาวนาไงเลยภาวนาไม่ได้สัทีสิ่งที่ต้องระวังในการฟังคนอื่นแนะนำกรรมาฐานเรานะต้องดูให้ดีว่าเขาสอนหลักหรือเขาสอนอุบายส่วนมากจะพูดเรื่องอุบายนะั่นแะแท็ติกอุบายซึ่งเขาเคยใช้ได้หรือท่านเคยใช้ได้ มันไม่ใช่อุบายอันหนึ่งใช้ได้กับคนทุกคนมันไม่เป็นหลักของการปฏิบัติจะร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนนะหลักการปฏิบัติต้องเป็นอันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าสอนแต่อุบายหรือแท็ติกเป็นเรื่องเฉพาะตัวต้องดูตัวเองไม่ใช่ไปถามคนอื่นคอยแก้อาการไปเรื่อยๆไม่ได้กินหรอกหลักต้องแม่นไม่ใช่ไปคอยภาวนาเพื่อแก้อาการของจิต ช่วงนี้จิตแน่นไปจะทำยังไงช่วงนี้ฟุ้งไปจะทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วล่หะเอาหลักไม่ใช่ไปมั่วๆไปด้วยเดี๋ยวเขาก็สอนแปลกๆให้เดินขาขวายาวกว่าขาซ้ายเดินขเยกขเยกแล้วสติจะดีอะไรสอนอะไรกันพี่ลึกอย่างนี้ก็มีนะพี่ลึกสอนสมาธิเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสมาธิต้องนิ่งไม่ใช่สมาธิเคลื่อนที่ อะไรที่พระเจ้าไม่ได้สอนไปยุ่งกับมันมากมันอาจจะดีนะอาจจะดีแต่มันดีเฉพาะตัวก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเที่ยวประมาทคนอื่นนะเขาก็ดีของเขาแหละแต่อุบายเป็นเรื่องเฉพาะตัวทางใครทางมันทางอีสานะมีคําพังเพยบอกว่าคนหลายคนกินน้ําบ่อเดียวหมายถึงคนจํานวนมากไปกินน้าบ่อเดียวกันคือจะไปพระนิพพาน เดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันเดินทางเดียวหมายถึงเดินอยู่ในหลักของเอกากายนามมรรคมรมองค์แปไม่เหยียบรอยกันศิละปะในการเดินแทคติกในการเดินไม่เหมือนกันสักคนเลยบางคนทําสมาธิก่อนจเจริญปัญญาทีหลังบางคนทําสมาธิไม่ได้ต้องไปจเจริญปัญญาก่อนสมาธิเกิดทีหลังเกิดเองบางคนชำนาญในฌานมีวสีเข้าออกว่องไวนะทรงอยู่ก็ได้ เข้าก็ได้ออกก็ได้ทรงอยู่ก็ได้สามารถชํานาญในการดูจิตด้วยถ้าชํานาญทั้งการเข้าฌานชํานาญทั้งการดูจิตเนี่ยจะไปทํำวิปัสสนานในฌานได้ทำสมาธิกับปัญญาควบกันอย่างถ้าชํานาญดูกายไปเจริญวิปัสสนานในฌานไม่ได้หรอกเมื่อดูกายแล้วจิตเคลื่อนเลยถ้าดูอยู่กับจิตนะทำต่อได้เนื่อแต่ละอย่างมันมีเงื่อนไขของมัน เราก็ดูตัวเองอคนเข้าฌานก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่เป็นอะไรทำมีท่าไหนดีละ่ะรู้ไหมทำอะไรถือศีลห้าไว้ก่อนทำอะไรไม่เป็นถือศีลห้าไว้ก่อนมันต้องมีทางที่เหมาะกับเราสักอย่างหนึ่งแต่ทางนั้นต้องถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนงั้นถ้ามาเรียนกับหลวงพ่อนะบอกหลวงพ่อสอนอย่างนั้นหลวงพ่อสอนอย่างนี้นะ ก็ถูกทุกคนน่ะเขาสอนไว้ทุกแบบอะ่ะอ้างได้หมดอะ่ะแต่ว่าอันไหนถูกอะ่ะไม่มีกรรมฐานที่ถูกถูกเฉพาะคนของเราเหมาะกับอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้ไม่เหมาะอย่างนี้ก็ไม่ทำอย่างเราจะทำสมถะเราก็ต้องดูว่าจิตเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วลำคาญเนี่ยนะไม่เหมือนกันนะบางคนรู้ลมหายใจแล้วก็มีสติบางคนรู้ลมหายใจแล้วก็เคลิ้มขาดสติไปเลยนะต้องดูตัวเองอนะอันไหนกรรมฐ า, านอะไรเหมาะกับเรานะภาวนาแล้วจิตใจมีความสุขมีความสบายมีความสงบไม่ขาดสติแล้วก็อยู่กับกรรมฐ า, า น, นนั้นๆไปแต่ถ้าเราจะเจริญวิปัสสนานะีก็ไปอีกแบบหนึ่ง ทำสมถานั้นอะไรก็ได้ใช้ทำสมถาได้หมดเลยนะที่มันไม่ยั่วกิเลสเนี่ยอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสแล้วทำสมถาได้ทั้งหมดอนะ่ะอารมณ์ในโลกนี้มีสมชนิดอารมณ์ที่หนึ่งเรียกว่าอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดอย่างเราสวดมนต์เราปรีกรรมพุทโธสัมมาระหงังนามาภาทะคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลาสุภะนี่อยู่ในหมวดของความคิดเป็นเรื่องของสมมติบัญญัติ ใช้ทำสมถะได้ทำวิปัสนาไม่ได้อารมณ์ชนิดที่สองเรียกอารมณ์รูปนามรูปปรธรรมนามมาทำใช้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสนาก็ได้บางคนคิดว่าถ้ารู้รูปนามต้องเป็นวิปัสนาไม่เป็นหรอกต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสนาอย่างเห็นท้องพองยุบไปเรื่อยๆนะจิตจ่ออยู่กับท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าตลอดไม่หนีไปไหนเลยอันนั้นสมถะ ถึงจะดูรูปร่างกายก็ตามนะก็เป็นสมถะเห็นร่างกายหายใจจิตจ้องอยู่กับลมหายใจ น, นั้นก็สมถะรูปนามนั้นทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสนาส่วนอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดนั้นทำสมถะได้อย่างเดียวนะถ้าจะเป็นวิปัสนาก็จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่วิปัสนา นี่อารมณ์สองอย่างแล้นะอารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่เราคิดเช่นคิดพี่นาปฏิกูลาสุภาคิดพุทโธคิดอย่างโน้น อ, นอย่างนี้สวดมนต์ไปนี่เป็นอารมณ์บัญญัติใช้ทําสมถะอารมณ์รูปนามถ้าเพ่งตัวรูปตัวนามเป็นสมถะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเป็นวิปัสนาอารมณ์ชนิดที่3ามชื่ออารมณนิ พ, พานอารมณนิ พ, พานใช้ทําสมถะได้อย่างเดียวทําวิปัสนาไม่ได้เพราะไม่มีเกิดดับนิ พ, พานเที่ยง ให้เกิดไม่ดับนิพานมีลักษณะอันเดียวไม่มีไตรลักษณ์มีเอกลักษณ์มีมีลักษณะประการเดียวคือเป็นอนัตตานิพานไม่ใช่อัตตานิพานไม่มีเจ้าของคนที่จะไปเป็นเจ้าของนิพานก็ไม่มีเพราะมันไม่มีคนมาตั้งแต่เริ่มต้นแลนิพานเอาไว้ทําสมถตาได้อย่างเดียวแต่คนที่จะใช้นิพานทําสมถตาได้ต้องเป็นพระริยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ความชำนาญในการใช้นิพันธ์เป็นอารมณ์ของสมถะก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถ้าเป็นโสดาสกัตถะคาเนี่ยยังไม่ชำนาญในพระนิพันธ์จะเอานิพันธ์มาเป็นอารมณ์นะต้องไปดูรูปนามก่อนแล้วก็เห็นใจรักษของรูปนามนะจิตมันเคยเห็นจนชนานาญแลมันเห็นแป๊บเดียวมันก็วางวางรูปนามนก็ไปเห็นนิพันธ์ถ้าชนานาญ อย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านมานัสิการท่านนึกถึงพระนิพพานนิพพานก็อยู่ต่อหน้าแนละ้วไม่ต้องส่งจิตไปดูเลยถ้ายังต้องส่งจิตเข้าส่งจิตออกส่งจิตไปดูนิพพานไม่ใช่นิพพานตัวจริงหรอกมันเป็นความว่างไม่ใช่นิพพานนีครูบาอาจารย์นะเคยสอนหลวงพ่อหลวงพ่อเคยทำผิดหลวงพ่อมีอยู่ช่วงหนึ่งภาวนาตอนนั้นเป็นโยมนะภาวนา เราส่งจิตไปดูอารมณ์สังเกตไหมจิตเราชอบเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์บางทีก็เคลื่อนมาตั้งมั่นอยู่ที่จิตถ้าไม่ตั้งอยู่ที่จิตก็ตั้งอยู่ที่อารมณ์วันนึงเกิดสงสัยแล้วตั้งอยู่ที่อารมณ์ก็ยึดอารมณ์นะตั้งอยู่ที่จิตก็ยึดจิตที่ยังยึดอยู่ถ้าไม่อยู่ทั้งสองงนนี้จะอยู่ที่ไหนแล้วกําหนดจิตลงไปนะให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนไปหาอารมณ์นะพอสติจะแนบเข้ากับอารมณ์นะถอยออกเลยไม่เอา ทวนเข้ามาหาตัวรู้แล้วเข้ามาหาตัวรู้แล้วมันจะมาแนบตัวรู้ไม่เอานะถอยออกทวนไปหาอารมณ์ทวนเข้าทวนออกทวนเข้าทวนออมันหยุดลงตรงกลางคล้ายๆร่างกายก็หายโลกก็หายนะเหลือแต่ความรู้สึก อ, อันเดียวล้วนๆเลยดูๆสงสัยนี่เป็นทางลัดไปพันิพาณะมัง่งตรงนี้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่มีอะไรเลยสบายธาตุขันไม่มีไม่มีอะไรเลยถ้นะ า, า, ะาจะดี ดูไปหลายหลายวันนะสมระานี่ว่าสมรฐารู้แล้วว่าสมรฐาขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศไปเล่าให้ท่านฟังแล้วก็บอกท่านผมสง ส, งส่งใจมันเป็นสมถฐนะท่านก็บอกว่าไปฝึกไว้สมาธิแบบนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วยุคนี้นะไปเล่นไว้ให้ชํานาญจะกราบเรียนท่านว่าผมกลัวติดท่านบอกถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองเนี่ยท่านบอกอย่างนี้นะ แต่ครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้เราก็ต้องหัดต่อแห ล, ละถ้าท่านสั่งก็หัดเล่นอยู่เนงะี้นะคัหนึ่งไปสัมมนาเชียงใหม่ล้วตอนค่ำหนีจะกห้องสัมมนาได้นะหนีกินเลี้ยงได้ไหลราชการนะโจรโจรจะชอบกินเหล้ามีงานต้องกินแบล็กกินอะไรนะโอ้น่าเกลียดหงพ่อไม่เอาด้วยเราหนีไปตามวัดดีกว่าตอนนั้นอยู่ไปสัมมนาที่เชียงใหมนะ่หนีไปวัดสันติธรรมเลยมืดตือเลย หนาก็หนาวนะมืดก็มืดไฟฟ้าก็ดับอีกแถวนั้นไปถึงมีพระมาอยู่หน้าวัดองค์หนึ่งก็เจอหน้านะถามท่านว่าอาจารย์ทองอินเจ้าวาดอยู่ไหมให้บอกอยู่แต่ตอนนี้อาจารย์บุญจันทร์มาให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์เลยบอกบุญจันทร์ไหนไม่รู้จักบุญจันทร์วัดถ้ำผาพึ่งไปหาหน่อยหน้าไปบอไม่เอาดึกแล้วมืดแล้วนะไปหาพระไม่รู้จักไม่ไป ไปคุยกอาจารย์ทองอินนะชั่วโมงกว่าๆออกมาหนาวมากเลยมืดเลยพระนั้นยืนยืนรออยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินนิ่งอานบอกไปหน่อยหน้าไปหน่อยหน้าเราจะกลับนะถ้าไปโทรไปแทบจะฉุดรอแล้วเนาะ <c oughs> ไฟก็ไปแบบอยากจะรีบกลับไปนอนละเขาพาไปหลังวัดนะเข้าไปกุฏิเป็นไม้สองชั้นขึ้นไปมีระเบียงเล็กๆอยู่ระเบียงนี้มีตังตัวหนึ่งวางอยู่ mm hmm. ต่างแคบๆนอนได้คนเดียวแล้วท่าน น, นันนอนมาผาคลุมโปองอยู่ไม่เข้าห้องนอนรออยู่ท่านไม่สบายนะมาเชียงใหม่เพื่อจะมาหาหมออากาศก็หนาวจัดไม่เข้าห้องเลยมันะคลุมโปองอยู่หน้าห้องนะอ่ะเราขึ้นไปกราบท่านท่านก็โผล่หน้าออกมาลุกขึ้นนั่งชี้นหน้าไงาภาวนาไงาไม่ถามเรื่องอื่นเลย แทนที่จะถามว่าชื่อแท่อะไรพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรไม่ถามเลยสบายดีหรือกินข้าวหรือ ย, ยังไม่ถามเลยเจอหน้าชี้หน้าเลยไม่ภาวนาไงาแล้วเออองค์นี้ดุเว้ยนะมาถึงก็เอาเรื่องเลยก็เล่าให้ท่านฟังนะเนี่ยทําสมาธิแบบนี้แหละไม่จับอารมณ์ไม่จับผู้รู้นะพูดจบเท่านั้นท่านจวกเลยเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเราไม่ได้พูดคําว่านิพพานเลยนะ ท่านรู้ว่าเราคิดว่าฝึกอย่างเนี้จะไปเข้านิพพานไดนะ้โดนท่านดุเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกง่ายจะภาวนาไงาเรานรึอว่าท่านฟังไม่รู้เรื่องเล่าซ้ํานะครั้งที่สองนี่เฮ้ยดังกว่าเก่าอีกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะเลยเลิกเลยใจวุบตกมาเลยนะไม่เอาแล้วไอ้นี่มันสมถะจริงๆนั่นแหละนะแต่ว่าหลวงปู่เทศท่านจะให้ฝึก ให้ชำนาญเพราะบอกไม่มีคนเล่นกันให้เราเล่นไม่ใช่ของจริงหรอกเราจะทาแต่นนี้นะชาตินี้ไปนิพพานไม่ได้หรอกโดนท่านดุเอาตั้งแต่นั้นเลยไม่ไปเข้าตรงนี้นะไม่เอาละตรงนี้ใจไม่ยอมเลยงั้นตรงที่เราถ้าเรากําหนดจิตนะอยู่ๆเรากําหนดจิตไปอยู่ในความว่างแล้วบอกว่าจะไปเข้านิพพานไม่มีทางเข้าหรอก ไปอยู่บนความไม่มีอะไรเลยไปหยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยรูปธรรมไม่มีนามธรรมไม่มีเหลือแต่ความรู้สึกกันเดียวล้วนๆไม่นิพพานหรอกไม่ใช่ทางถ้าเราอยากนิพพานเราต้องจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะต้องขีดเส้นใต้ด้วยทําตัวใหญ่ด้วยต้องทําวิปัสสนาหรือจ น, นิพพานไปกําหนดจิตอย่าง น, อน้อยกาหนดจิตอย่างนี้ไม่มีวันนิพพานหรอกกําหนดจิตทีไรเป็นสมถะทุกทีเลย ก็เป็นที่พักผ่อนเฉยๆเพราะฉนั้นถ้าเราได้ยินใครเขาบอกนะกำหนดจิตให้ว่างๆไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยสบายไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจนี้ถ้าไม่เห็นก็เป็นสมถะสมถะทาไปไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายาหนัดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นหรอก ยิ่งทำยิ่งยิ่งพอใจในความสุขความสงบความว่างความสบายนะยิ่งทำยิ่งติดใช้ไม่ได้หรอกงั้นเรามาหัดเจริญวิปัสสนาให้ชำนิชานานนะถนัดทำสมาธิก่อนก็ทำสมาธิาธไปอาจิตใจสงบพอสมควรแล้วมาฝึกให้จิตตั้งมั่นมืมาดูกายย้ำว่าทำสมาธิเยอะๆให้ไปดูกายอย่าไปดูจิตถ้าดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูเลยจะว่างๆ พรงันกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับคนทําชาญจิตตานุปัสสนาเหมาะกับคนทําชาญไม่เป็นคนเข้าชาญไม่ได้ให้ไปดูจิตทําชาญได้ให้ไปดูกายถ้าทําชาญออกจากชาญมาจิตจะว่างๆดูแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอยู่อย่างนั้นตั้งเจ็ดวันได้นะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงว่างๆอยู่นั้นคงที่แทนที่จะเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นว่าเที่ยงแทนที่จะเห็นว่าเป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นสุขแทนที่จะเห็นว่าบังคับไม่ได้ก็รู้สึกกูเก่งบังคับได้ นั่นถ้าทำสมาธิออกมามากนะให้ไปดูกายกายเนี่ยมันสอนให้เราเห็นเลยมันทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนทุกข์หมดเลยหายใจออกหายใจเข้ามีแต่ทุกข์นะไม่มีอะไรเลยมีแต่ก้อนทุกข์เลยดูลงไปใจก็เห็นความจริงของร่างกายก็เบื่อหน่ายคลายกำหนักเหมือนกันถ้าทำสมาธิไม่ได้ดู ก, กายไม่ได้ดีหรอกกายานุปัสสนาเหมาะกับคนนั่งสมาธิเป็นจิตตานุปัสสนานะเหมาะกับพวกคิดมาก เวลาเราคิดมากใช่ไหมเราคิดไปเรื่องนี้มีความสุขคิดไปเรื่องนี้มีความทุกข์คิดไปเรื่องนี้โลภคิดไปเรื่องนี้โกรธคิดไปเรื่องนี้หลงสังเกตไหมก่อนจะโกรธต้องคิดก่อนนึกออกไหมมีไหมโกรธโดยไม่คิดก่อนไม่มีหรอกไปดูให้ดีมีไหมโลภโดยไม่คิดก่อนไม่มีหรอกนะอย่างใครบอกว่ารักแรกพบโกหกผิดปรมัตธรรมแรกพบเพื่อเมื่อตามองเห็นตรงนั้นไม่มีความรักไม่มีความชังมีแต่อุเบกขา งันรักแรกพบไม่มีนะต้องคิดนิดนึงก่อนแล้วค่อยรักอย่าไปเชื่อมันใจบอกรักแรกพบผิดปรมัตธรรมผิดผิดสภาวะโกหกนะไม่มีตาเรามองเห็นนะใจยังเป็นอุเบกขาอยู่นะต้องคิดนิดนึงก่อนถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นมางั้นสุขทุกข์ดีชั่วตามหลังการคิดมานะเราไม่ห้ามความคิดหลวงปู่ดุลสอนบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ แต่ก็ต้องอาศัยคิดเนี่ยการดูจิตดูใจนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เช่นคิดว่าจิตอยู่ที่ไหนหวะจิตหน้าตาเป็นไงจะดูยังไงคิดยังไงก็ไม่รู้สักทนะีหยุดคิดแล้วก็คอยรู้สึกเอานะหยุดคิดถึงจะรู้เอานะพอเราไม่คิดมากความสุขพวกเราก็รู้จักอยู่แล้วความทุกข์พวกเราก็รู้จักอยู่แล้ว โ, โลภโกรธหลงพวกเราก็รู้จักอยู่แล้ว ตอนนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขก็แค่นี้เองตอนนี้มีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์มันก็แค่นี้เองตอนนี้โรภปกรดหลงรู้ว่าโรภปกรดหลงก็แค่นี้เองมันรู้อยู่แล้วรู้ได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองแต่วันท่านย้ำตัวสุดท้ายนะท่านบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดเพราะงั้นอย่าไปหยุดคิดนะคําว่าหยุดคิดหมายถึงว่าหยุดคิดค้นคว้าหยุดคิดแสวงหาดูของจริงที่กําลังปรากฏ แต่ของจริงที่กําลังปรากฏนั้นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเพราะใจเราคิดนั่นแหละเช่นคิดเรื่องนี้เกิดราคะคิดเรื่องนี้เกิดโทสะเวลามีแฟนรักกันใหม่ๆกาลังหวานแหววเวลาคิดถึงแล้วเกิดโลภะเกิดราคะใช่ไหมแต่งานนานๆพอคิดถึงเกิดโทสะอย่างเงี้ยนี่ต้องคิดหน่อยนะเกิดโทสะไม่คิดไม่ไม่ไม่มีกิเลสขึ้นมา ยันให้มันคิดไปเพื่อเราจะได้เห็นว่าจิตเดี๋ยวก็มีราคะจิตเดี๋ยวก็มีโทสะจิตเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านจิตเดี๋ยวก็หดหูจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุกมันหมุนไปเรื่อยนะความเปลี่ยนแปลงในจิตในใจของเรานี่นะดูไปเรื่อยไม่ไปห้ามไม่ไปแทรกแซงกระบวนการทํางานของจิตปล่อยให้จิตทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาจิตมันจะเปลี่ยนแปลงให้ดูเมื่อตามองเห็นจิตมันก็เปลี่ยน เมื่อหูได้ยินเสียงจิตมันก็เปลี่ยนจะมูกได้กลิ่นจิตก็เปลี่ยนลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตก็เปลี่ยนเราก็จะเห็นว่าจิตนี่ไม่เที่ยงจิตนี้บังคับไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดหนึ่งเป็นของบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุอย่างถ้าเราคิดไปในทางพยาบาทวิตกโทสะก็เกิดคิดไปในทางกรรมวิตกระาคามันก็เกิดนีมันเป็นไปตามเหตุน จะค่อยๆรู้เอารู้เอานะมาดูของจริงไปเรืยสุดท้ายมันก็เห็นเองจิตก็ไม่ใช่เราจิตเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีตัวเราจิตนั่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะถ้าเห็นถึงตัวนี้ก็สิ้นสุดกันตรงนั้นแหละเห็นกายไม่ใช่เรายังไม่เป็นพระโสดาบันหรอกนะเขายังเหลือจิตเป็นเราอยู่นะนะถ้าดูกายอย่างเดียวนะไม่มีจิตเป็นคนดูไม่มีวันเห็นจิตที่จะเป็นไตรลักษณ์ เพงั้นก่อนจะไปดูกายต้องมีจิตที่ตั้งมั่นแยกออกจากกายเวลาดูกายจะเห็นว่าจิตเป็นคนดูกายไม่เที่ยงจิตที่เป็นคนดูเขาไม่เที่ยงเหมือนกันกายเป็นทุกจิตที่เป็นคนดูกขาทุกเหมือนกันกายบังคับไม่ได้จิตที่เป็นคนดูก็บังคับไม่ได้เหมือนกันเงั้นเวลาเห็นเห็นหมดนะไม่ใช่เห็นอันเดียวถ้าเห็นอันเดียวเป็นสมถะถ้าเห็นธาตุเห็นขันแต่ละขันแต่ละขันเขาแยกออกไปแต่ละขันเขาก็ทงานตามหน้าที่เขาอย่างนี้ถึงจะเดินปัญญาเห็นไตรลักจริงๆ เห็นทุกขันนะไม่ใช่เห็นอยู่ขันเดียวอ่าต่อไปใครจะส่งกันบ้านมีไหมให้พวกอยู่วัดก่อนอาการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ช่วงนี้สภาวะมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เจ้าค่ะก็ของเก่าเลยกิเลสก็ของเก่ากุศลก็เก่าเก่ารูปประธรรมนามธรรมก็อย่างเก่าก็ถูกแล้วไม่มีอะไรใหม่เค่ะ แต่ว่าสังเกตว่าเวลาที่เราทำอะไรเป็นแพทเทิร์นที่เป็นรูทีนนะคะอย่างเช่นเดินทรงกลมหรือว่าสวดมนต์เนี่ยมันมักจะไปติดเออๆออค่ะห่งพ่อมันจะเหม่ อ, มอเหม อ, อแล้วก็เห็นแล้วก็ไม่ชอบก็ไปดึงมันกลับมาเจ้าค่ะให้รู้เอาน ะ, ะที่ฝึกอยู่นั่นใช้ได้แล้วล่ะขันก็ค่อยแยกแล้วได้ฝึกต่อมีอะไรต้องปรับปรุงเพิมเ่มเติมอีกไหเจ้าค่ะหลวงให้สม่าเสมอนะเดี๋ยวอยากหวังผลอยากได้ผลจะไม่ได้ผลเลย เดนนี่กับเมื่อก่อนเหมือนกันไหมก็รู้สึกว่าดีกว่าเดิมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อย<ะ>มีการถ่อมตัวซีกถามจริงอะรู้สึกว่าดีนิดหน่อยหรือ<ะ>ใครรู้สึกไปหน้าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราดูไปเรื่อยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเห็นไหมจิตมันมีความสุขผุดขึ้นได้เองรู้สึกค่ะน ะ, ะ, ะไม่ยุ่งกับมันนะ่ะแค่รู้อย่างที่มันเป็นนะมีความสุขผุดขึ้นมา เป็นระยะระยะค่อยรู้ไปเรื่อยสุดท้ายก็จะเห็นความจริงตัวเราไม่มีหรอกไปหัดดูปล่อยๆนะทำถูกแล้วละขอบคุณค่ะทำสม่าเสมอรครับทำมากไปมั้งแข็งไปไหมไม่ับทำอย่าอยากนะถ้าอยากนำไปก็ใจจะแข็งให้ทำสบายๆดูกายมันทำงานดูใจทำงานเราเป็นคนดูสบายๆ เผลอก็ได้แต่อยเ่เผลอนานถ้าห้ามเผลอจะแน่นตงไงอีประคองเ ก, ก่งอยู่นะเออประคองอยู่ใครเจอหลวงพ่อก็ประคองธรรมดาเป็นทุกคนไม่มีไรส่หลวงพ่อค่ะอ่มช่วงนี้นั่งนั่งดูกายมันหายใจอะคะ่ะแล้วมันก็มักจะสว่างอะคะ่ะหลวงพ่อหนูก็เห็นว่าจิตเคลื่อนไปแล้วหนูก็เลยกลับมาดูกายอะคะ่ะแล้วมันก็ มันก็แสงมันก็จ้าขึ้นมาอีกหนูก็กลับมาดูกายเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหนูบอกอย่าไป เ, เอาแสงนะะแสงไม่มีประโยชน์อะดูกายดูใจของเราไปเรืยดูว่าร่างกายก็อันหนึ่งนะใจเป็นคนดูก็อันหนึ่งดูออกไหมออค่ะออนะ่แยกไปเรื่อยนะกลับไปก็แยกสุขทุกข์สุขทุกข์ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตกุศลอกุศลก็ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตนะค่อยๆฝึกห น, นูต้องทําอะไรเพิ่มบากจิ ต, ต<ร>ฟุงต้งซ่านไปหรือเปล่า ฟุ้งซ่านนะไปจัดการตัวนี้ก่อนนะถ้าจิตฟุ้งซ่านมากเจริญปัญญายัางไม่ได้จริงเหมือนฟุ้งไปนะนพุโทโธพุโทโธไว้จิตนี้ไปเรารู้พุโทโธไว้พุทธไว้จิตนี้ไปเรารู้นะเอาแค่บริกรรมก็พอถ้าเวลาไปดูกายมันไปเพ่งใส่กายนะมีกลายเป็นแสงมันเป็นแสงจ้าขึ้นมาเนี่ยบางทีใจเราตั้งมั่นไม่พอมันไหลเข้าไปในแสงนะใจไม่มีแรง แต่ว่าหนูเห็นปุ๊บหนูก็มารูกายกลับมารูกายเลยนะคะลแล้วแน่นไหมไม่แน่นค่ะเออถ้าไม่แน่นใช้ได้ตอนนี้จิตถึงฐานไหมขณะนี้จิตถึงฐานไหมตอนนี้ไม่ถึงค่ะแล้วเดาหรือเปล่าหรือว่าเห็นก็เดาอถ้ารู้ว่าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยมันก็เข้าฐานได้นะครั้งหนูไปดูนะเนี่ยจุดอ่อนของคารวาสนะสองตัว ทุกคนแหละเกือบทุกคนนะ ว, ว่าทุกคนเดี๋ยวว่ามันร้อเซ์มากไปเกือบเกือบทุกคนอันนึงสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นถ้าพอนั่งสมาธิก็ทําแต่สงบเคลิมเลิมจิตก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ดีแหละสมาธิมีสองอันต้องฝึกให้ตั้งมั่นอีกอานหนึ่งเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจเจริญปัญญาก็าต้องทําให้มากพอนานๆ ท, ทําทีไม่ได้ทําเรื่อยๆ อย่างนี้หนูขอสรุปนะคะคือหลวงพ่อให้หนูไปบริกรรมไม่ต้องไปแบบดูกายเหมือนเดิมใช่ไหมคะคือคืออย่าตามแสงไปนะมันฉิบจิตมันชิบแล้วเนี่ยเบริกรรมนี่เดี๋ยวจิตมันเคลื่อนดูออกไหมจิตมันจะเคลื่อนออกไปข้างหน้าไปอยู่ที่แสงยิ่งเคลื่อนเก่งเลแสงยิ่งขึ้นเร็วเออขอบคุณค่ ะ, ะไม่ให้ไปนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ตามแสงไปนะไม่งั้นเดี๋ยวหนูไปนูนเลยอยากไปดูพญานาคก็ได้ ไม่ต้องรอไปนั่งรถไปแม่น้ำขวงหรอกนั่งอยู่นี่ก็ดูพญานาคก็ได้ไ ม, มันตามแสงไปไม่ดีแล้วที่ไม่เห็นเห็นแล้วน่ากลัวนะเมื่อคนสติแตกหนยอยากเป็นพญานาคสวยนะอะต่อไปใครจะคุยเท่าที่จำเป็นนะไม่จำเป็นก็ให้คนที่เขาจาเป็น ครับนมสักการครับหลวงพ่อมันว่างไงก็ของผมเขาที่แล้วสมาธิมันยัไม่ค่อยดีครับอันนี้ไปก็ไปเดินเยอะขึ้นก็เหมือนจะดีโดยเฉลี่ยขึ้นบ้างครับพอนาแล้วคอยรู้อยู่ในกายในใจของเราเนาะอคอยภาวนาของเราไปเรื่อยไม่วอกแวกไปยุ่งคนอื่นหรอกคอยดูของเราบ่อยๆฝึกของเราฝึกอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่ทํางานอยู่ตามถนนอยู่อะไรนะ เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกิเลสอะไรเกิดเท่าใจเป็นคนดูแบบอย่างนั้นเรื่อยๆไปดียังฟุ้งซ่านนิดหน่อยหมายถึงไม่ยุ่งเอกคะเดายถึงไม่ต้องไปคุยอะไรอเงี้ยครับหมายถึงไม่จําเป็นแล้วก็อย่าไปคุยเล่นนะเรื่องกรรมฐานกรรมฐานอะไรเงี้ยเราไปคุยกับใครหรอกนะเราพอนักเราเอางคุยแล้วฟุง้งครับฟุง้งไหมก็ฟุ้งอยู่เรืเออ่อยๆอเงี้ยเอไปคุยมากนะ กรรมฐานเขาไว้ปฏิบัติเขาไม่ได้ไว้คุยนะไ <laughs> ปฝึกเข้ากำลังดีลนะดีวันดีคืนถ้ายุ่งกับคนอื่นเยอะเดี๋ยวเสียดูของเราบ่อยๆนะให้เวลากับตัวเองเยอะๆแต่ไม่หมกมุ่นนะถ้ารู้สึกหมกมุ่นก็เบรกหากิจกรรมอะไรมาทำเล่นๆเบ็กบ้างอย่าให้หมกมุ่นอ่ะ กราบหลวงพ่อคะ่ะก่อนหน้านี้ก็ดูกายคะ่ะและ้วก็ดูใจปกติคะ่ะแล้วก็พอดีช่วงหลังๆมันฟุ้งมากคะ่ะก็เลยไปสรวจอชดิปี๒ค่ะเออได้คะ่ะแล้วแต่ใจจริงๆมันไม่ค่อยจะเอาวอะค่ะเออ ม, มันชอบอะไรละ่ะจริงๆมันชอบดูจิตไปเรื่อยๆแต่มันดูจิตไปเออไม่ได้<ะ>ไ ม, ไม่ไม่พอนะค่ะอย่างนั้นใจสมาธิไม่พอมันฟุง้งอย่างน้อยดูจิตไปก็ได้แต่พุโทโธพุโทโธกํากับไปก็ออยังดี ให้จิตมันมีบ้านอยู่ไว้อยู่กับพุทธโธอยู่อิติปิโสอะไรก็ได้นะไม่ชอบอิติปิโสเอาพุทธโธก็ได้อิติปิโสยาวไปหาพุทธโธพุทโธสั้นไปเอาพุทธโธ ท, ทำโมสังโฆก็ได้อยู่ที่เราปรับเอานะแค่ไหนพอดีหลวงพ่อตันเด็กๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งด้วยต่อมาเลิกนับต่อมาเลิกพุทธโธเลอแต่ลมก็ฝึกไปเรื่นะเดี๋ยวนี้ลมก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่โทค่ะ เห็นเห็นกายมันเห็นหัวใจมันเต้นเห็นกายมันเต้นนะคะสภาวะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยออวิหารธรรมก็เปลี่ยนไปอ้าวเหรอวิหารธรรมอย่าเปลี่ยนบ่อยนะบางบางทีจิตมันจิตมันฟุ้งซ่านมันก็ผุดโถขึ้นมาเองอ๋อได้อย่างนั้นดีก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดอะค่ะจิตถึงฐานไหมตอนนี้อันนี้ไม่ถึงออกมาเต้นๆอยู่ในนอนให้รู้ทันนะจิตไปติด มันออกไปข้างนอกแล้วให้รูถ่านไม่ว่ามันเห็นไหมถ้าพวกมือใหม่ๆนะหลวงพ่อก็จะสอนอย่างน้นอย่างนี้นะพวกมือเก่าเกยชอบถามเลยว่าจิตถึงฐานไหมดูง่ายจะตายจิตออกนอกนงานทําหน้าเด๋อเด๋ด่าด่าดูง่ายนมัสการเช้ค่ะไม่ชีมาส่งอารมณ์หลวงพ่อเมื่อสองปีที่แล้วค่ะอื ตอนนี้มันรู้สึกดีใจเจ้าค่ะที่มันกายมันรู้สึกออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะฝึกนะ้ําไม่แยกกายแยกใจนะมันไปต่อไม่ได้หรอกเจ้าค่ะเนี้กายก็ส่วนกายนะใจก็ส่วนใจแต่ไปก็สุขทุกข์ก็ส่วนสุขทุกข์ดีชั่วก็ส่วนดีชั่วใจเป็นคนดูแต่ตรงที่ใจเราเป็นคนดูได้แล้วเนะี่ยเราก็ไม่ปลระคองรักษานะเราก็ต้องให้เห็นอีกว่ากระทั่งจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงอีก มีของแปรปรวนอีกแล้วดูไปดูไปนะทั้งตัวนี้เลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของแปรปรวนนะไม่ไม่สงวนรักษาให้เหลือใจอันเดียวเที่ยงนะ ว, ว่าระวังตัวนี้ไว้พอแยกแยกแยกไปเลยเหลือตัวนี้ไปรักษาตัวนี้ไม่ดีนะตอนนี้ยังไม่รักษาหรอกแต่อีกหน่อยเดี๋ยวจะไปรักษาเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้สุขภาพาไม่ชีไม่ค่อยดีแต่ไม่ชีจะนั่ง นั่งแบบมันเหมือนร้อนอะคะอ่ะร้อนแล้วจะทาให้เลือดเราไหลเวียนดีอย่างนี้ใช้ได้ไมใช่คะได้นั่งไปรักษาจิตเอาไว้อันเดียวร้อนมาแล้วเลือดไหลเวียนดีพอใจรู้ว่าพอใจอวันนี้ร่างกายไม่แข็งแรงเลยหดหูรู้ว่าหดหูนะรู้ทันจิตไปหลวงปู่ดืนยเคยสอนหลวงพ่อนะกายมันของทิ้งถ้าดูให้ถึงจิตถึงใจแล้วกายไม่สาคัญเท่าไหร่แล้ว มีคราวหนึ่งนะไปถามหลวงปู่หลวงปู่ครับหลวงปู่ผมไปที่ไหนนะได้ยินแต่ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆนะสอนพุโทโธพิจารณกายทั้งนั้นเลยแทบทุกวัดเลยแต่ถ้าหลวงพ่อไปคุยกับท่านพุ๊ท่านเปลี่ยนไปสอนจิตทั้งนั้นนะเหมือนกันหมดนะแต่เวลาท่านสอนทั่วๆไปท่านสอนพุโทโธพิจารณกายหลวงปู่ครับแล้วผมจะต้องไปพิจารณกายไหมหลวงปู ด, ดูนบอกว่าเขาพิจารณกายเพื่อให้เข้ามาถึงจิต เมื่อเข้ามาถึงจิตแล้วเอาอะไรกับกายกลายเป็นของทิ้งนะงั้นจิตนั่นแหละเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าหัวหน้าโจรอยู่ที่จิตนี่หัวหน้าโจรไม่ได้อยู่ที่กายนี่นะี่นคอยรู้ทันเท่าถึงจิตถึงใจได้เข้ามารู้ถ้ารู้จิตไม่ได้ก็ไปดูกาย แ, แค่นั้นเองดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถนะใช้อย่างนี้แหละขอบพระคุณค่ะแม่ชีก็จิตไม่เข้าบ้านเหมือนกันนะ บ่อยมากเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ, อต้องมีเครื่องอยู่นะจะพูดโทรจะอะไรก็ได้แล้วจิตไหลไปแล้วรู้ค่ะถ้าอย่างนั้นมันถึงยังไม่หนีนานไม่ชี้ว่าจุดอ่อนของไม่ชี้เลยค่ะตรงนี้คะ่ะหลวงพ่อก็ว่างั้นแหละ<ส zan>เห็นด้วยนะค่ะขจ้ขอบคุณค่ะกับข้างกับหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมตัวรู้เนี่ยเด่นเลยรักษามากไปไปติดตัวรู้อยู่เป็นปีเลยกว่าจะแก้ตก การนมันส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่าก็คือเห็นเห็นกิเลสในใจตัวเองอเยอะมากเจ้าค่ะแล้วก็เห็นความทุกข์เยอะแต่ก็เห็นก็ส่วนมากไม่เป็นกลางเจ้าค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะดิ้นรนมากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาพอจะถูกทางไหมเจ้าค่ะถูกน ะ, ะถูกถ้าเราเห็นใจที่ดิ้นรนไม่เป็นกลางได้นี่ดีมากนะเราห้ามไม่ได้หรอกห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ ดูไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันปิ๊งไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยไปดูนะดูอนัตตาให้มากคนขี้โมโหต้องดูอนัตตาขี<ม>้โมโหไหมมากเลยเจ้ า, <อ>าคะนะขี้โมโหปัญญามันกล้าขี้โมโหมันจะกล้าสองอย่างนะอันหนึ่งปากกล้าอันหนึงปัญญากล้าเพราะฉะนั้นถ้าเวลามันโมโหมาเราดูไปเลยดูมันดูคนอื่นไปเรืย เวลาสภาวะใดๆเกิดขึ้นดูมันดูคนอื่นไปเลยเห็นแต่ว่ามันเป็นเองมันทําได้เองมันไม่ใช่เราหรอกนะดูอนัตตาไปเรื่อยอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอํานาจถนะ้ามันยังไประรานคนอื่นเยอะใช่ไหมเออนั่นแหละที่หลวงพ่อบอกมันกล้าสองอย่างไลนะ <c oughs> ให้เรารู้ทันนะตั้งใจรักษาศีลไม่ยากหรอกของหนู่นะพื้นฐานเดิมดีฝึกมาดีแล้วละไปทําต่อไป มรสการค่ะหลวงพ่อเห็นกายกับใจเป็นโคนละอันไหมค่ะเห็นไหมสุขทุกข์กับจิตก็คนละอนกันเห็นไหมโลภโกรธหลงกับจิตใจเราก็เป็นโคนลานกันไม่เห็นดูกายไหมร่างกายกับใจเป็นโคนลาอันอันนี้เห็นไหมเห็นค่ะดูกายเป็นหลักไว้เลยนะแสดงว่าเราหมออาการดูกาย เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเราเป็นแค่คนดูสุดท้ายนจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วต่อไปก็ไปเห็นว่าไอ้ตัวใจที่เป็นคนดูมันก็ไม่ใช่เราหรอกมันก็ดูของมันไปอย่างนั้นลไปดูกายบ่อยๆมีใจเป็นคนดูกายกับใจแยกจากกันใช้ได้ทำถูกแล้วขอบคุณค่ะกับธรรมสการหลวงพ่อครับอยากจะรายงานผลการปฏิบัติครับ คือตั้งแต่ปฏิบัติมาตอนนี้ก็เห็นกิเลสถี่ขึ้นแล้วก็เห็นความสุขความทุกข์มันแบนแบนมันไม่ฟู่ฟ้าเหมือนเมื่อก่อนถูกถูกแล้วก็าละ ก, กิเลสบางตัวได้ง่ายขึ้นครับก็ช่วยชี้แนะด้วยครับหลวงพ่อครับจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกเอานะดูกายด้วยไปฝึกเข้าอยากคิดนํา ดูสภาวะไปได้ไม่คิดนำมันขอบพระคุณครับกับขามน้ำสการหลวงพ่อครับก็ส่งการบ้านเมื่อสี่เดือนที่แล้วครับก็ปกติปฏิบัติก็จะมีสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเช้าประมาณยี่สสาสิบนาทีโอ้ดีมากเลยตอนเย็นอีกยี่สบามสิบนาทีก่อนนอนนะครับโอ้โหดีจริงก็เปลี่ยนจาก เ, เปลี่ยนจากขยับมือ มาเป็นเดินจงกรมครับพรรู้สึกขยับมือมันยังหลงหลมันหลงง่ายมันหลงหลงง่ายก็เลยมามาเดินธรรมดานะเวลาเราใช้อารมณ์กรรมฐานเราเลือกที่พอดีสติสมาธิอะไรอย่างเงี้ยให้พอดีกันถ้าเราใช้อารมณ์กรรมฐานละเอียดไปนะั้นมที่จับไม่ทันอย่างเดินเนี่ยหยาบดูง่ายนะแต่บางคนเดินแล้วลำคานนะชอบนั่งก็แล้วแต่เรานะ ถ้าเรานั่งแล้วเคลิ้มเคลิ้มไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราก็เดินแช่อารมที่หยาบขึ้นใช้ได้ทําถูกแล้วละเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยังเปลี่ยนแปลงรู้สึกหรือเปล่าว่าร่างกายกับจิตมั็นคนละอันกันรู้สึกครับนะไอตัวที่เดินมันก็ส่วนตัวที่เดินนะไอคนดูก็ส่วนคนดูนั่นแหละขันมันแยกได้ต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นความจริงไอตัวที่เดินมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นวัตถุมีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออก ใจเราเป็นคนดูก็ไม่ใช่ตัวเราอีกสั่งมันไม่ได้เนี่ยเจริญปัญญาน ะ, จะเจริญอย่างนี้เรื่อยๆไปครับขอบคุณครับทำได้ดีอยู่นะเดี๋ยวนี้เรื่องแยกธาตุแยกขันเป็นเรื่องเบสิกนะเรียกชินชินใช่ไหมชินง่ายโอ้แต่ก่อนหาไม่ได้นะแต่ก่อนในแค่รู้สึกตัวแค่ตื่นเนี่ยยังหายากเลยนะเมื่อสามสิบปีก่อนนะ เดี๋ยวนี้แยกธาตุแยกขันเป็นเรื่องเบสิกเลยเรื่องธรรมดาใครทำไม่เป็นเฉยนะเรื่องธรรมดาที่จริงไม่เห็นจะยากอะไรเลยแต่ไนมะไม่เคยฟังถ้าเราได้ยินได้ฟังนะแปบ๊บเดียวมันก็แยกแนละวอาจารย์มหาบัวถึงออกปากเลยนะแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราเรื่องเจริญปัญญานะไม่มีหรอกนันะต้องแยกธาตุแยกขันให้เป็นถึงจะเดินปัญญาได้ ครัน้ำรสการหลวงพ่อค่ะทุกวันนี้สติมันเกิดเองถียิบเลยนะคะเอดีมันมันโมโหไหมล่ะมีบ้างอะค่ะมันโมโหขึ้นมาก็รู้ทันมันนะค่ะอย่าไปว่ามันสติเกิดมากๆมันที่หุนหินนะค่ะใช่ค่ะมันมันเพราะว่ามันแป๊บแป๊ก็หลงหลงหลงจนแบบว่ามันทนไม่ได้อะค่ะมันโมโหอะค่ะให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบใจโมโห ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางค่ะแล้วมันก็เห็นว่าทุกทีที่จิตมันหลงไปเนี่ยความทุกขมันจะเกิดขึ้นถูกต้องถูกต้องแต่พอถ้าจิตรู้เนี่ยมันจะไม่ทุกข์เนอจิตเนี่ยค่ะมันูอะมันถูกในขั้นนี้นะแต่ขั้นต่อไปเนี่ยตัวจิตรู้นั่นแหละตัวทุกข์ทุกข์ยิ่งกว่าตัวอื่นๆแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเราเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์นะไหลไปทีไหลทุกข์ุกที เห็นถูกแล้วล่ะค่ะแล้วก็มันเห็นว่าขันแล้ขันทั้งหลายแล้วก็ทำทั้งหมดเนี่ยมันเกิดดบับเกิดดบับแต่มันไม่มีเจ้าของนะคะโอ้ดีนั่นแหละเห็นอนะนัตตาเหมาะกัเป็นคนขี้โมโหคนขี้โมโหมต้องดูอนัตตาดูวันนี้จังทุกขังยิ่งโมโหหนักเข้าไปใหญ่ค่ ะ, คะแล้วก็ทุกวันนี้มันจะเห็นว่า วันๆเนี่ยจิตมันจะไหลไปหาอารมณ์ทางทวารต่างๆตลอดเวลา้องแล้วมันจะแต่พอว่าสมมุติว่าอยากเห็นรูปเนี่ยพอควา ม, ม<ๆ> อ, อยากตรงนี้เกิดขึ้นมันความทุกเกิดขึ้นแล้วออแต่พอได้เห็นรูปจิตมันก็ไปเห็นอีกว่าการที่หลงไปดูรูปมันก็เป็นทุกข์อะค่ะออนะมันเหมือนเอาความทุกข์มาแก้ทุกข์ยังไงไม่รู้ถูกแล้วคนในโลกอะก็เอาทุกข์มาแก้ทุกข์ไปด้วยนึกว่ามันจะมีความสุขนะอย่างเบื่อเบื่อขึ้นมาเซ็งเซงขึ้นมาก็กินเหล้าไปชวนกันคุย โทรศัพท์ไปหาคุณโน้ตคนนี้นะความจริงทําให้ใจฟุ้งซ่านมากกว่าเก่าอีกแล้วมันมีสภาวะอย่างหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อที่มันไม่เคยรู้สึกมาก่อนมีอยู่วันนึงนั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็อยู่ดีๆมันก็รู้สึกขึ้นมาว่าไอ้ก้อนทั้งก้อนนี้ทําไมมันถึงทุกข์ขนาดนี้ออแล้วมันก็ตามมาด้วยจิตที่ไปเห็นว่าจิตที่มีอยู่ที่รู้อยู่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะคะ แล้วทีนี้มันเหมือนมันทนไม่ได้มันรับไม่ได้เลยมันมันบอกไม่ถูกเลยค่ะมันทนไม่ไหวอะค่ะมันเห็นเร็วไปนิดนึงถ้าเป็นพระนาคาแล้วเห็นจะไม่เป็นไรนี่เราเห็นเร็วแล้วโทสะมันขึ้นถ้าให้ดูไปใจไม่เป็นกลางไม่ต้องสนใจอะไรหรอกจิตจะไปรู้อะไรไม่สําคัญนะสําคัญที่จิตไปรู้อะไรข้าแล้วจิตเป็นยังไงให้รู้ทันเตอนนั้นก็จะเห็นเลยว่อโทสะมันก็ขึ้นได้เองนะดูอย่างนี้ แล้วอมันไปเป็นอีกครั้งหนึ่งในสมาธินะคะดูลมหายใจแล้วมันก็อยู่มันก็เห็นขึ้นมาว่าทําไมเอกการหายใจทําไมมันถึงเป็นทุกข์ในขนาดนี้แล้วมันแล้วทีนี้มันเหมือนอะไรมันมันดิ้นแรงมากกลางอกมันมันเหมือนมันหาทางออกไม่ได้อะค่ะอีกหน่อยมันก็แตกออกมาเรียกว่าอกแตกมันแตกออกมานะอ้ําแตกจริงๆนะจิตมันถูกห่อหุ้มอยู่ดูออกไหมมันเหมือนมีเปลือกขังมันมีมีที่ขังมันนะเหมือนเหมือนถูก ขังอยู่ในกล่องหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคนกรุงเทพอยู่ขังในกล่องสมัยก่อนหลวงพ่อไปคุยกับครูบาอาจารย์ทางอีสานนะจิตมันถูกขังอยู่ในหายกระเทียมอ <c oughs> ย่างดีท่านเมันบอกหายประแดด <c oughs> <c oughs> มันเหมือนอยู่ในกล่องนะอยู่ในแคปซูลนั่นแหละไอ้ตัวนัน้นมันจะแตกครั้งแรกนะตอนได้พระโสดาบันแล้วแตกชั่วขณะแป๊บๆนั่นกะ็กลับมาใหม่กล่องนี้ทนมากเลยนะต้อแตกครั้งที่สี่ถึงจะแตกจริงๆ เดี๋ยวมันก็กลับมาขังอยู่อย่างเงี้แหละมันจะทุกข์ไปเรื่อยๆดีที่เห็นอย่างนั้นน่ะดีแล้วไม่ไม่ใช่ว่าหลงผิดไปยัง ไ, ไงใช่ไหมไม่หลงผิดหรอกถูกหรอกล่ะ mm hmm. ในโลกนี้นะถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นความจริงทั้งสามแดนโลกาธาตุเนี่ยไม่มีที่อย่างเท้าลงแล้วมีความสุขเลย mm hmm. เพราะอะไรก็ตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ไปที่ไหนก็คือขนเอาตัวทุกข์ไปด้วยนะ ขึ้นไปปรอมาโลกก็ขนตัวทุกข์ไปด้วยขึ้นไปอยู่เทวโลกก็เอาขนตัวทุกข์คือเอาจิตนี้ไปด้วยะไปอยู่ที่ไหนก็มีตัวจิตตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์นี่ถ้าเห็นอย่างนี้นะจะไม่เกิดละวเพราะไม่มีที่ให้เกิดละแต่ของหนูยังหรอกตอนเนี้ยโทสะยังไม่พ้นเลยค่ะขอขอบพระคุณค่ะหนูฝึกไปนะที่ฝึกอยู่ในะเก่งฉลาดต้องเพิ่มเพิ่มอะไรไม่ไม่เพิ่มเพิ่มเพาะขี้โมโหวกว่าเก่าฝึกไปสม่ำเสมออย่ารีบร้อนค่ะ ห้ามใจร้อนนะใจร้อนเราช้ากับนมัสการหลวงพ่อครับออตอนหลังผมทำอนาปปนสตินะครับ ม, มากขึ้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่ทำคือที่ทำเนี่ยคิดว่ามันเดินปัญญานะครับเห็นไตรลักษณ์นะครับแต่ว่าที่สิ่งที่กลัวคือว่ากลัวว่าจะไปติดสมถะติดนิดหน่อย มันยังพอใจในความสุขความสงบที่เกิดขึ้นนะให้รู้ทันเราแล้ววิธีแก้จะทำาไงให้รู้ทันไงรู้ทันใจรู้สึกไม่มันสว่างออกไปนะมันโล่งมันสบายใจเราเขาไปจับอยู่มันมีความสุขนะมันอิ่มอกอิ่มใจอยู่ให้รู้ว่ามันอิ่มอกอิ่มใจรู้ทันจิตของเราไหมถ้ารู้ทันจิตจะไม่ติดบางทีมันก็ มีความสุขครับอย่างที่หลวงพ่อว่าว่าไม่ห้ามาไม่ห้ามความสุขน ะ, ะความสุข่ะไม่ใช่กิเลสความสุขเป็นเวทนาขันแต่ราคะคือความพอใจในความสุขเป็นกิเลสเป็นสังขารขันคนละอันกันมีความสุขได้แต่ไม่มีราคะถ้ามีความสุขแล้วราคะแทรกเข้ามาให้รู้ทัน<ะ>ก็เท่านั้นเองบางทีมันก็มันก็เบื่อครับเออเบื่อให้รู้เอามันน่าเบื่อนะไม่มีอะไรหรอก มีแต่ของหน้าเบื่อถูกต้องอีกเบื่อเพราะมีปัญญานะกับเรีนถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ<ม>ว่าเวลาที่เราภาวนาแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็ขอผลบุญจากการภาวนาเนี่ยว่าออขอให้พอหมดภาระหน้าที่อีกสักประมาณสักสิบปีเนี่ย<ม>ขอให้ได้บวช<ม>จะได้ปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุด ที่สุดแห่งทุกเนี่ยไม่ทราบว่าถ้าภาวนาขอแบบนี้เนี่ยจะมีส่วนได้รับอานิสงไหมครับหรือแล้วแต่อุทธาณอธิษฐานไว้เนี่ยนะก็เป็นการคล้ายๆเตือนตัวเองไว้นะว่าชีวิตเรามีเป้าหมายอะไรส่วนจะบวชหรือไม่บวชอยู่ที่เราเองแหละถ้าไม่มีภาไตรไม่มีชีวรมาบอกนะ่ะให้ไม่ยากเลยไปขาดนั่ให้ได้เรื่องบวชยังไม่ยากหรอกเดี๋ยวตอนตอนบวชจะมากราบนวัตการหลวงพ่ออีกทีครับ แล้วมาบอกพวกพระนะมาเบิกบาทและจีบอลให้เอาจะมาขอบวชกับหลวงพ่อได้ไหมครับต้องอยู่ที่สงเขาจะรับไหมนะเขาอำนาจอันนี้เป็นอำนาจสงการรับคนเข้าหมู่เนี่ยเป็นอำนาจสงพระพุทธเจ้าให้อำนาจสงไวนะ้ถ้าเราพนานาดีไม่ต้องกลัวหรอกนะอาาการมาสการหลวงพ่อค่ะ หลวงพ่อคะ่ะคือว่าวันนี้พาคุณแม่มากราบหลวงพ่ อ, อก็จะขออนุญาตส่งกันบางให้ลูกก่อนอหนูเหรอคะออยังไม่ได้แต่งกันบ้านมาเอ้ยไม่ได้แต่งแม่อยู่ไหน่ะแม่แล้วแม่แต่งเสร็จแล้วหรอ <laughs> ไหนอยู่ไหนแม่ฮะนี่แม่เหรอ <laughs> ดูอยังเด็กๆ <laughs> เ, เลยอาว่ามาคุณแม่ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะยังไม่เคยส่งกันบ้านแต่ว่าจะขอรายงานการปฏิบัตินะคะก็ฝึกดูมาประมาณสี่ปีแล้วค่ะก็เห็นจิตนะคะที่ห่วงกาย<อ>แล้วก็หลังๆนี้ก็คือเห็นว่าจิตเนี่ยมันร้ายแต่ในขณะเดียวกันก็ฉลาดเพราะว่ามันบอกธรรมะเราสอนธรรมะเรานะคะแล้วก็รู้สึกชีวิตดีค่ะมีความสุข ดูแบบโลกแต่เขาเอะดูไปเรื่อยว่าจิตใจนี่ยก็เป็นของบังคับไม่ได้หรอกค่ะแปรปรวนไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเลือกไม่ได้ะดูไปเรื่อยเดินปัญญาไปเห็นจิตเห็นใจนี่เป็นของเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ะดูบ่อยๆค่ะดูแล้วดีนะอันนี้ที่ฝึกอยู่ดีแล้วล่ะแล้วไงอีกก็รู้ว่า จิตยังไม่มีกําลังเหมือนกับว่าเรานอนฝันแล้วเรารู้ว่าตื่นแต่ก็ยังอยากจะฝันต่ออะไรอย่างนี้ค่ะดียังอะไรอาวลให้รู้เท่าทัานไปเรื่อยนะ ด, ดะีอยากเรียนถามหลวงพ่อเมื่อประมาณสามสี่วันเนี้ยเกิดสภาวะหนึ่งก็คือตอนที่ขับรถนะคะแล้วก็ฝนตกหนักมากเดิมเนี่ยเป็นคนที่ขับรถแล้วกลัวฝนตกแต่ว่า ขณะที่ขับเนี่ยครั้งนี้เนี่ยรู้สึกเลยว่าจิตมันตั้งมัน่นจิตมันอยู่ที่ฐานมันเห็นทุกอย่างว่ามันเป็นปกติรู้สึกถึงความสุขสบายโลง่งรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรให้ห่วงให้กังวลเลยนะถ้านะฝึกนะแต่เราไม่ได้ฝึกเพื่อเอาสิ่งนี้หรอกเขาเป็นผลปล่อยได้เราจเจริญสติจเจริญปัญญาไปเรื่อยแล้วเขาเป็นของเขาเองแหละปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมโดยปกติก็จะมีเข้ามีออกค่ะนะ อย่างนี้ไม่ได้นะค่ะกลับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะต้อให้มันเข้าๆออกๆเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะไม่รักษาค่ ะ, ค, ะคือเข้าใจว่าช่วงนี้ตัวเองติดติดนิ่งหรือเปล่าอะคะหลวงพอ่อไม่เป็นไรไม่มีปัญหามากหรอกมันนิ่งอยู่รู้ว่านิ่งไม่ชอบนิ่งรั้วไม่ชอบกลัวติดรู้ว่ากลัวเนี่ยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆไม่ติดอะไรหรอก ถ้ารู้ไม่ทันถึงจะติดนะติดเนี่ยฮะอะไรนะคือที่ผ่านมารู้ไม่ทันนะคะแต่มีคนมาบอกอ้าวตอนนี้รู้ทันแล้วนี่ค่ะติดหรือไม่ติดอยู่ที่รู้หรือไม่รู้อย่ามีความสุขมากมายไม่ใช่เรื่องมีปัญหานะยิ่งภาวนาไปนี้ความสุขมหาศาลเลยมีได้ไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าไม่ติดคือถ้ามีความยินดีพอใจเกิดขึ้นรู้ทันก็ไม่ติดหรอก ถ้ารู้ไม่ทันความยินดีพอใจที่เกิดขึ้นก็ติดเพราะเรารู้ทันจิตไว้ไม่ติดอะไรหรอกค่ะแล้วเราต้องไปหาดูไหมว่าเราไปทําอะไรมามันถึงติดแล้วเราจะได้ไม่ทําแบบนั้นอย่าไปจงใจนะถ้าจงใจไม่ค่อยเห็นหรอกต้องเล่นทีเผลอค่อยๆแอบค่อยๆสังเกตไประยะๆไปไม่รีบร้อนถึงจะเห็นนะถ้าจงใจไปดูใหนะ้ทําอะไรทําอะไรตอนนี้ไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอกตอนนี้กําลังพยายาม ดูอยู่พยายามจะดูว่าเขาทำยังไงมันเลยไม่ได้ทำดูจิต ด, ดูใจนะต้องแอบดูจงใจดูไม่มีอะไรให้ดูหรอกกราบนำ้ำสาการหลุมพ่อเจ้าค่ะ เออหนูมีโอกาสได้มาที่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อค่ะวันนี้อยากจะกราบขอคําแนะนําในการนําไปปฏิบัติภาวนาต่อกิเลสเกิดบ่อยไหมบ่อยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้คือพอดีหนูตั้งครันอยู่แล้วก็แต่หนูก็ไม่ไม่ไม่อยากจะไปโทษนะคะว่าอยู่ในช่วงตั้งครันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะรู้สึกว่าช่วงนี้จะฟุง้งฟุ้งบ่อยแล้วก็น้อยใจว่าง อ, อะไรว่างมันจะหงุดหงิดง่ายอะคะ่ะแล้วก็พอเราไปรู้ปุ๊บ ก็จะรู้สึกเลยว่าโทสะมันเกิดแล้วคือเราไม่ไมชอบเลยให้เราม า, าคิดแบบนั้นเลยเกลายเป็นโทสะก็เกิดขึ้นมาอีกอย่างนี้ค่ะคนจะทยัง ไ, ไงดีคะคอยรู้จิตเราบ่อยๆนะรู้เท่าทันจิตบ่อยๆสวนมนต์เยอะๆ<า>นะทำบุญทำทานนะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลจเจริญเมตต า, าลูกเราจะได้มีความสุข<า>เด็กๆก็รู้เรื่องนะอยู่ในท้องเราแผ่เมตตาให้อะไรให้เขาจะได้มีความสุข แล้วของอย่างหนูเนี่ยค่ะคุณพ่อจะกลับถามว่าเออเหมาะที่จะดูกายหรือว่าดูจิตคะพ่อชอบดูกายไหมหรือชอบดูจิตคือบางทีพ่ออาจจะติดมาว่าเมื่อก่อนเราตั้งแต่เด็ ก, ดกๆค่ะคุณแม่ก็จะพาไปนั่งสมาธิอะไรทําให้เรารู้สึกว่าเราติดไปทางดูกายมันจะรู้สึกว่าเบาสบายกว่าทําอย่างนั้นก็ได้น ะ, ะแต่ว่าพอจิตใจมีความสุขมีความสบายให้รู้ว่ามีความสุขถ้าจิตใจมีราคะคือชอบความสุขนั้นรู้ว่ามีราคะนะ ก็ใช้จากของเดิมทำกรรมฐานเราไม่ต้องรื้อของเดิมทิ้งนะถ้าของเดิมไม่ผิดเนี่ยอย่าไปรื้อทิ้งเราต่อยอดเอาแต่เดิมเราทำรู้ลมหายใจรู้อะไรเราได้ความสุขได้ความสงบเราได้สมถะและ้วทีนี้เราก็เอาใหม่เราหายใจไปอย่ามีความสุขและเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะค่อยๆรู้สึกแปลกกายกับใจนี่คนละอันกันหรือว่าเวลามีอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจทีแรกเรานั่งสมาธิจิตใจมีความสุข นี่ความสุขหายไปรู้ว่าความสุขหายไปแล้วความสุขไม่เที่ยงอะไรอย่างนี้ดูอย่างนี้ดูความรู้สึกในใจที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็จเจริญปัญญาละหรือนั่งไปแล้วเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูร่างกายที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างนี้ก็จเจริญปัญญาละคือเราอย่าไปหยุดอยู่แค่สมาธิท่านละแต่ไม่ต้องเป็นลือของเก่าทิ้งต่อยอดนะขึ้นมาถึงวิปัสสนานะ แล้วอย่างในบางครั้งนะคะที่เวลาหนูปฏิบัติชีวิตประจำวันนะคะพอเราไปรับรู้อารมณ์ตรงนั้นเนี่ยเรามันจะรู้สึกความว่างเกิดขึ้นนิดนึงไม่ทราบเป็นเพราะหนูไปไปดึงให้ให้มันกลับมาหรือเปล่าคะอย่างฟุ้งไปอย่างนี้นะคะอพอรู้ว่าฟุง้งแบบนี้มันจะกลายเป็นความว่างแวบหนึ่งอย่างะะช่วงขณะเดียวนั่นแหละเป็นปกติของเขานหลังจากนั้นถึงจะดึงในขณะแรกที่รัวฟุ้งเนี่ยไม่ได้ดึงไว้หรอกแล้วขณะนั้นแหละถูกที่สุด มันเป็นเองนะค่ะแล้วพอหลายจากความว่างนั้นเราควรจะไปตั้งอยู่ที่ไหนะหลวงพ่อไม่ตั้งหรือปล่อยไปเลยอะคะก็แค่รู้นะว่างล้วก็รู้ไม่ว่างก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้นะรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยถ้าดูจิตไม่ออกกลับมาดูกายใหม่ได้ค่ะกบขอพระคุณค่ะคนปกตินะสภาวะจิตมีอย่างเดียวคือหลงหลงหลงหลงหลง ตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายมิวแค่นั้นน่ะนักปฏิบัติใหม่ๆมีสามัญหลงแล้วก็รู้แล้วก็ไปเพ่งหลงรู้แล้วก็ไปเพ่งไปบังคับไว้ควบคุมไว้แต่พอชำนาญกว่านั้นนะหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้หลงแล้วรู้เหลือสองอีกละนะต่อไปเหลือหนึ่งเหลือรู้รู้รูรนะยังไม่เข้าใจ ไปฟังซีดีนะฟังซีดีไปเรื่อยๆนะเอาเชิญกลับบ้าน